กรรมะอย่างนี้เรื่องอะไรที่จะพูดเราจะพูดเรื่องของการภาวนาการอารมจิตใจ <c oughs> เพราะพระกรมมฐานพรป่าไม่มีการศึกษาปริยัติธรรมมุง่งหน้ามึงตาปฏิบัติรักษากายวายาจจิตของตัวฉะนั้นพูทธเทพจึงไม่มี อันดูนที่จะมาเทศมาสอนเรื่องโลกเรื่องสองสารต่างๆ น, นั้นนะก็เป็นเรื่องไม่ได้ศึกษาไม่ได้นึกคิดถึงจะศึกษาแลื้อคิดก็ไม่ควรนํามาสู่วัตถุว่าคือเรื่องของกายของใจในเมื่อเวล า, วาก็าพึ่งปฏิบัติคนเราเกิดมาไม่มีอะไรในโลก ที่จะมีคุณค่ากว่าตัวของตัวคุณค่าสาราอย่างอื่นที่จะเกิดขึ้นมีได้ก็อาศัยเพราะเรามีชีวิตเป็นอยู่คือตัวของเราเองเมื่อตัวของเราหาไม่สิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่มีคุณค่าสาราประโยชน์อะไรฉะนั้นคุณค่าของมนุษย์เราจึงอยู่ที่ ตัวของตัวตัวของตัวที่นีจะมีคุณค่าสาร ะ, ะสูงก็เพาอาศัยทำทำคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่มันนามาที่นี่ที่จเจริญนะปฏิบัติกายวายจาจจิตของตนคนนั้นจะมีคุณค่ามีสาระถ้าหากจะต่อยไปตาม ยาถากรรมแล้วจะจ ะ, จะทำจะพูดจะคิดคนนั้นมีชีวิตเป็นอยู่ก็เป็นหมันเป็นโมฆะหาจาระอะไรไมนได้ถึงเข่าของเงินทองจะมากมายก่กองขนาดไหนใจก็เป็นทุกข์ปดที่ทมีธรรมะปฏิบัติรักษากายวายจจจิตของตนมีความสงบเย็น บำเพ็ญในอาจในธรรมถูกต้องคนนั้นถึงจะไม่มีเข่าของเงินทองทางโลกกว่าตามคนคนนั้นจะมีสาระแก่นสารในตัวของท่านจะอยู่ในสถานที่ใดสงบ ก, กายสงบใจไปสถานที่ใดไม่เป็นภัยอันตรายต่อโลก การอบรมธรรมะการปฏิบัติธรรมะการรักษาตัวจึงเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราท่านทุกคนจะต้องประพฤติ ป, ปฏิบัติโลกวุ่นวายขัดข้องเดือดร้อนกังวลไม่ใช่เกิดจากเรื่องอื่นเกิดจากคนเท่านั้นคนที่ใน ม, มีอาจมีทมไม่ประพฤติ ป, ปฏิบัติตัวสมควรจะอาจจะทา ถึงมีจำนวนน้อยนิดเดียวก็ททำให้ส่วนใหญ่ชั่วเสียไปเหมือนกันกับโรคภัยที่มีในเมื่อนในตัวของเราถึงจะเป็นที่ไหนก็ตามจุดใดก็ตามก็ททำความลำบากลำคาญให้เจ่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายไปตามกันดังนั้นคนชั่วคนเสียไม่มีอาจมีทํา ไม่ต่างหน้าต่างตาไปคิปฏิบัติรักษาท ร, รมาิีในกายใจของตนจึงเป็นคนที่หาสาระไม่ได้จะอยู่ในสถานที่ใดเป็นภัยอันตรายต่อสังคมต่อโลกฉะนั้นพวกเราท่านที่เข้ามาบวชในศาสนาพวกเรานี้เป็นจุดเด่นที่โลก ทั่วไปจะมองจ้องดูเพราะพวกเหล่านี้เขาถือว่าเป็นแนวหน้าเป็นผู้ที่จะรักษากายจิตของตน ร, รักษาธรรมดิานในหากประพฤติไปตามอำเภอใจไม่ระวังรักษาภายในของตัวทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วคนทั่วไปเขากกกลัว วภาพรเนที่มาบวชในศาสนาทำไมเป็นคนหน้าขยะขยงอย่างนั้นไม่นา่า <c oughs> ไม่น่าตาบหน่าวายไม่น่าสักการะบูชาไม่น่าพบค่าสมาคมเห็นก็ดีเข้าไปหามาสู่ก็ดีไม่มีอะไรที่จะน่าเหลื่อมใสน่าศรัท ธ, ธาเพราะ ไม่ประพฤปฏิบัติตามธรรมะวินัยที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ประพฤติไปนอกวูน่อนอกทางที่พระพุทธเจ้าสอนตัวของตัวเองก็เดือดร้อนศาสนาพระเจ้าพระสงฆ์ภาคพวกขวนญฟุ้งซึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็พลอยเสียหายเดือดร้อนไปตามเพราะส่วนน้อยทําส่วนใหญ่ เหมือนกันกับว่าปลาเน่าเพียงตัวเดียวแต่อยู่ในภาชนะอันเดียวกันก็ทำให้ตัวอื่นที่ยังสดสื่นดิบดีอยู่มีกลิ่นเหม็นมไปตามกันฉะนั้นพวกเราท่านจึงควรตรวนรักษาระวั ง, ว ง, าาวางกายว่ายใจใงสงบมันตรวจตาที่จเจรณาศึกษา ตรวจสองตัวว่าการทำการพูดการคิดของเราเป็นไปในทางสี่พระพุทธเจ้าแนอสอนหรือไม่หรือเป็นภัยอันตรายต่อตัวเองและคนอื่นถ้าตัวตาที่นี่ที่เดนนะาสมำําเมือแล้วจะทราดดีบาิสิงเราทำเราพูดเราคิดถ้าจิดก็จะชื่อว่าเราเป็น ผู้ที่เหยียบย่ำทำลายศาสนาเป็นอารัษีผู้ไม่มียางอายทำลายศาสนาทำลายหมู่คณะ้าหากเราตรวจตาว่าอะไรซึ่งอย่างที่เราทำผุดจิดไปไม่มีอะไรที่จะเสื่อมเสียจากทำวินยัยไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยแก่ตัวและโลกเราเองก็มีความสุขความสบายยิ้มแยมแจ่มใส มีจิตใจร่าเริงบันเทิงในอจในธรรมดันั้นพวกเราท่านจึงควรตรวจตาพิจรารณาตัวเองเคยพูดแล้วว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะสาคัญไม่มีอะไรที่จะวิเศษไปเสดกว่าตัวของตัวตัวของตัวเท่านั้นเป็นของไปเสดของวิเศษ แต่ตัวของตัวจะดีวิเศษได้ก็ต้องอาศัยประพิคุณงามความดีคือทำดีไหนสีพ่พระพุทธเ จ, จ้าสอนไม่ใช่บวชเข้ามาในศาสนายิ่เหลื่ยตันหาความเฉดเสียต่างๆจะตกไปเองเขาก่าบไหว้ในนามว่าเราเป็นเพศของสมณะสีผ้าจีนุ่งห่มเท่านั้นถ้าหากเขาทราบ เรืจิตใจของพวกเราท่านเวนลาจิตจิตจิตปรุงไปในทางฉวดเสียต่างๆเขาสะาบทุกระยะทุกเวลาเขาอาจจะเดินหมิน่นมินทาไม่เลื่มใสเพราะเหตุใดเพราะเราไม่ระวังใจของเราปล่อยให้จิตให้ปรุงไปในทางฉวดทางเสียแอบไปเจ็บไปหาสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามโดยมาก เป็นขโมยทางใจคือคิดไปในทางชั่วทางเสียทางต่ำนี่คือท้าเนรไม่สงวบระวังไม่มีสติยับยั่งจิตใจของตัวถึงอยู่ในวัดก็อยู่แต่ร่างกายเหลืองแต่ผ้าโล้นแต่ที่ศะแต่ใจกิเลสตันหาหนาทึก เป็นอย่างนี้ตัวของตัวเองก่อตำหนิตัวของตัวถ้าหากพิจรารณาสูถั่วไปทำไมก็จะไม่ตำหนิ ท, ทั้งที่อยู่วัดขอทานเขากินเดินบินทบาทแต่ก็ไปชอบติดจิตจงในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่แนะไม่สอนแทนที่จะพิจรารณาปลุกประทํานามธรรม ในจิตใจของพวกเราถานเกิดสลดต้องเวทจนทุกภัยในวัฏฏ์จงสารเกิดกำหนัดยินดีพอใจใครคิดติดข้องไปในทางชั่วทางเสียทางต่ําเหมือน ก, นกันกับผู้ที่ในเดบุตเหมือนกันกันกบสัตว์ปิยฉานซึ่งไม่มีการศึกษาซึ่งไม่มีการศึกษาอาจทําอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เคยมีโรงหลับโรงเรียนที่ไหน มันเป็นไปทั้งสัตว์น้ําสัตว์บกเป็นไปทั้งมนุษย์และสัตว์อื่นทั่วไปจิตใจที่คล่องติดจิตเป็นอย่างนั้นเมื่อเราเป็นเราเห็นมีสติรู้วารจิตของตัวคิดนึกพยายามแนะสอนตัวก้องตัวเรานี้เป็นพระเป็นเนรเป็นสมณะหรือเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์ติระฉาน มันตัวตาที่เยอนนะแนะนตัวเองเขาให้เขาบูชาก่าวว่าไม่ใช่ให้เกี่ความชั่วความเสียที่เราคิดไปทำไปพูดไปเขาให้เพื่อบูชาให้เพื่อเป็นกำลังใจใจะแก้ไขความชั่วเสียของตัว เขามันจะคิดมูาาลค่าสาราอะไรจากการให้ของเขาบูชาสู่ตังหาจังตาประพฤติอัจประพฤตรทำหนี่เราทำไมจึงคิดไปต็ไปในทางชั่วทางเสียอย่างนี้เมื่อเรามีสติสอนตัวอย่างนี้ทุกระยะเวลาทิคิดไปมีสติทันรักษาได้ ในให้ิดให้ปุงไปในทางชั่วทางเสียหายต่างนาต่างตาภาวนาทําทความเพียรสำาัะภายในคือทางจิตใจของตัวที่ชั่วเสียให้ตกออกไปมีใจที่ข่องใสมีใจที่สงบถึงจิตปุงฝ่งไปก็เพื่อจะแก้ไขเรื่องความชั่วความเสียที่มีอยู่ภายในไม่ใช่จิตปรุงฝ่งไปเื่อติดข้อง ในทางจิเลิตัญหาราคาต่างๆพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ทุกแง่ทุกมุมหากคนใดสนใจรักษาตัวคนนั้นจะปลอดภัยถึงที่สุดได้้าคนดใดไม่สนใจปล่อยให้สัญญาอารมณ์ฝ่ายต่ำควอมงาจิตใจก็ไม่มีวันเวลาที่จะประเสริฐดิเศษได้ มีแต่วันจะตายจากเพศของตัวคนที่อยู่ในศาสนาไม่ได้ก็เพราะไม่รักษาใจของตัวปล่อยให้คิดตรงไปในทางชั่วเมื่อมีกำลังมากขึ้นก็ออกมาทางปากพูดกันคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งไม่มีสาระแฝนสารซึ่งเป็นไปในทางพระธรรมดนายห้าม เป็นไปทางสิละฉา น, นกถาจิตใจสูงเคยบ้าบอดอยู่แล้วมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เมื่อคิดมาเข้าพูดออกกำหนดไม่อยู่รักษาไม่ได้กายมันก็เป็นไปตามเรื่องของความคิดของตัวผล ท, ที่สุดก็เลยไม่มีพระนีเนในจิตในใจไม่มีพระมีเนในกาย อยู่ในวัดในวาในดักฝึกหาลาพโคตไปเห็นแบบเพศของคารวะเป็นเพศที่ดีเด่นเป็นเพศที่มีความสุขความสบายไม่ได้คิดว่าเราที่ออกมาบวชในพิกษุเจ้าศาสนามีโอกาสเวลาที่จะประพฤติปฏิบัติกายวา ย, ายใจใจคงตนให้ถึงมรรคถึงผลไม่ได้คิดอย่างนั้น พอเราออกมาหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างห่างไกลจากความเจ้ามองติดข้องต่างๆเหมือนไม้ที่อยู่บนบกตัดขาดไปแล้วในวันใดวันหนึ่งก็จะแห้งสามารถที่จะเอามาสีไฟให้เกิดไฟได้แต่คนที่ยังอยู่ในคารวา ไม่สามารถที่จะตัดห่วงตัดกังวลได้ไง่ายๆเหมือนไม้ที่ยืนต้นอยู่ชุ่มไปด้วยยางต่างๆหรือไม่อย่างนั้นก็อยู่ในน้ำไม่มีวันเวลาที่จะแห้งถ้าเราคิดว่าโชคลาภของเราที่ได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนามีโอกาสเวลาที่จะเดชตัวพิษปฏิบัติ อาจทำที่พระพุทธเจ้านน เ, เนี่ยสอนกดเตรียมเมื่อเตรียมตัวเลืงมือต่อเพื่อปฏิบัติรักษาภายในคือกายใจทองตนรักษาให้ได้จริงได้ที่มันเหลือวิสัยก็พยายามบังคับใจทองตนให้เขา้านี่ฝูปในรอยที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอน เพราะเบื้องต้นมันก็บังคับบัญชายากเป็นธรรมดัเพราะจิตใจของเราเคยมาในเรื่องฝ่ายตา่ำแต่เมื่อเราต่อเพื่อปฏิบัติห้ามกัน้นตั้งใจต่อเพื่อปฏิบัติการจริงจังจิตได้รู้ได้เห็นความอยากย ง, งของธรรมที่เราต่อเพื่อปฏิบัติ เมือมันเป็นอย่างนั้นมันง่ายมันสบายมันยากจะทําทุกการทุกเวลาไม่ว่านัน่งนอนยืนเดินจะไปสถานที่ใดรักษาใจไม่เคยเผลอไม่ว่าจังแค่จะไปเกี่ยวข้องเรื่องนอกยงังปรุงชิดขึ้นในจิตในใจซึ่งเรียกว่าสังขารปรนขึ้นเท่านั้นมันทําทุกการทุกเวลาแพบขึ้นมาจะเป็นฝ่ายดีฝ่ายชั่ว ทันไม่ต้องเลยไปคิดนึกเกี่ยวข้องแก้ไขอะไรเพราะทราบต้นเหตุของมันมันเกิดขึ้นจากที่นี้มันดีหรือมันชั่วเราทราบตัวของตัวทราบดีกว่าคนอื่นไม่ว่าอะไรทั้งหมดถ้าหากมีสติรักษาจิตใจองตนจะไปพูดไปทำนั้นมันไกล ยังห่างจากอัตธรรมคำสอนของผู้ได้เจ้าตอทราบสาปปเหตุที่มันปุ่งมันชิดขึ้นมาจากภายในมันชิดอะไรอย่าไปงมข้างนอกซึ่งไม่มีสาระแ่นสารอะไรยิ่งงมไปก็ยิ่งห่างไกลจากความจริงดูภายในของตัวทำจิตให้นิ่งทำจิตให้ใสงบพิจารณาเข้ามาภายใน เพราะจีเรตตัญหามานาพิธิเกิดจากใจมรรคผลธรรมวิเศษเกิดจากใจไม่ใช่ไหลมาลอยมาจากดินฟ้าอากาศหรือคนอื่นจะหากหิวมาให้มันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติเกิดจากอาจจากธรรมที่เราพินิจารณาตังหะหากทุกคนทราบว่าทุกอย่างไม่ได้เป็นมาจากภายนอกเป็นไปจากภายในใจจะ รุ่มร้อนวุ่นวายใจจะชิดฟุงฟุ้งไปในทางเสียหายไม่ใช่คนอื่นหามาให้มันเป็นไปจากภายในของตัวอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อกวนให้ชิดนึกติดข้องถ้าหากเราไม่ทันภายในคือยังเข้าไม่ถึงจุดที่จะทราบ ว่ามันเกิดขึ้นจากที่ไหนพระพุทธเจ้าจึงสอนให้โอปะ ย, ยิโกน้อมเข้ามาที่เจรนาตัวเองเมื่อเห็นเมื่อได้ยินสิ่งต่างๆทางปฏิบัติทางรักษาก็คือทุกขังอ น, นิจจังอ น, อ, จอนะัตตาเจรนาให้เห็นตามเป็นจริงในสิ่งเหล่านี้มันทุกข์มันลำบากเกิดมาไม่ว่าจะเกิด ในชาติใดๆมันทุกกายทุกใจเพราะความอยากความต้องการของใจไม่อยู่ในขอบในเขตพระพุทธเจ้าเรียกว่าจิเลสคือความไข่ของใจปัญหาคือความอยากของใจเราต้องพิจรารณาหาทางํำระเรื่องเหล่านี้ทางํำระ ม, มันมี แต่มันต้องเกิดขึ้นเป็นขึ้นจากใจของตนมันจึงแจ้งไปจับจึงละได้ปล่อยได้วางได้ถ้าหากไม่เห็นไม่เป็นในตัวของตัวมันละไม่ได้มันถอนไม่ได้มันยังติดยังคล้องถึงจะจำได้พูดเจงฉลาดอาจหานขนาดไหนแต่จิตใจยังติดยังคล้องเส้นผมบางภูเขา ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคือสิ่งที่ชั่วที่เสียนั้นนั้นทั้งทั้งที่พูดได้แต่มันก่าละไม่ได้ถอนไม่ได้พอมันไม่เห็นไม่เป็นในใจถ้ามันเห็นมันเป็นในใจมันละได้ถอนได้ปล่อยได้วางได้การที่จะรู้จะเห็นจะเป็นในใจก็เพราะเรามีสติพิจรารณาสอนใจ ทุกระยะทุกเวลาที่มันไปไขจิตติดข้องในจิเลตันหาความโลภความโกรธความหลงต่างๆมันเป็นของดีวิเศษอย่างไรมันไม่มีอะไรที่จะดีวิเศษให้ตัวของตัวเองก็เดือดร้อนวุ่นวายโลภขนาดไหนอยากได้ขนาดไหนขว้านควายขนาดไหนของโลก อย่าคิดว่าเราจะเอาไปได้สมบัติของแผ่นดินหนักเท่าแผ่นดินไม่มีใครที่จะหาบหิว้วแบกหามไปได้จะติดจะคล้องจ ะ, จะเพื่อจะเพ่อนจะรุ่มจะหลงขนาดไหนทานองเดียวกันกับคนที่อยู่ที่อาศัยธรรมดาไม่มีอะไรที่จะได้ไป เราก็ทราบเกิดมาไม่มีใครหาหามหอบหิวอะไรมาเวลาไปก็ทำนองเดียวกันเขาทิ้งเอาไว้สมบัติที่เราอยากได้เราโลภเราหลงพอใจไม่ไดิพิเจณานะตามเป็นจริงของมันใจจึงไปเกี่ยวเกาะพัวพันยึดถืออยากได้อยากได้ ไ, ดไม่ได้จะโลภไปทำไม มีทางสอนใจกำนัดยินดีอย่างนั้นอย่างนี้ราคาตัญหาก็ทํานองเดียวกันมันแผดเผามันไม่ใช่มันสงบมันสบายมันเกิดขึ้นได้ด้วยการไม่สังวรระ ว, วังมันเกิดขึ้นได้ด้วยการไม่มีอัจมีทามันเกิดขึ้นได้ด้วยที่เราไม่มีสติปัญญาที่ารณามัน ฉะนั้นท่านจึงให้พิจรารณาเมื่อมันเกิดราคะตัณหาพิจารณามันอสุภะอสุพังที่พระพุทธเจ้ากล่าวเอาไว้พิจรารณาให้ทั่วให้ถึงในกายในใจของตัวอะไรมันกำหนัดยินดีผมขนเล็กฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกมันมีเหมือนกันเขาอย่างไรเราอย่างนั้นเราอย่างไรเขาอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้มันเคยกำหนัดยินดี เพลิดินมัวเมาไหมคนตายไปจะเป็นหญิงเป็นชายหนุม่มแจมีราคาตันหาแรงกล้าขนาดไหนเอาไปทิ้งเทินกันไว้ไม่เคยมีใครสนใจจะไปจูบไปกอด ไ, ไปเกาะไปเกี่ยวไปเสีไปสมกันเพราะเหตุใดธาตุขันจริงจังมันไม่ทราบอะไรแล้วจิตใจที่ไปกำหนัดยินดีมันได้อะไรนอกจากมัน จะขนทุกมาให้เผาตัวข้องตัวคนที่มีราคาตัญหามากไม่มีความสุขความสบายมีแต่ความวุ่นวายกังวลอยู่ในป่าจิตใจก็มีเรื่องราคาตัญหาแทะเผาอยู่คนเดียวกับเป็นร้อยเป็นพันเพระใจ น, น, นั้นห้ามไมา่อยู่ไปก่เกี่ยวกับอารมณ์สัญญา ต่างๆนาะนาะมาเผาตัวข้องตัวหาความสงบหาความเยือกเย็นไม่ได้ท่านจึงว่าเป็นภัยอันตรายควรชำระควรสาสางควรพิพจนะิตจารณารูปที่มันติดข้องมันยินดีมันเพิดเพลินมันกำหนัดโดยส่วนใหญ่มันไม่ได้พิจารณาหน้าหลังอะไรพิจารณาเอาราคาตัญหาเป็นศาสดา ไม่ได้พิจรารณาตามธรรมะของพระพุทธเจ้ามันดูแต่เพียงผิวเผินเท่านั้นถ้าขี่คายดูภายในจริงจังมันไม่มีอะไรที่จะน่ายินดีเลื่อมใสที่จะน่ากำหนับลองขี่คายลองดูสิตัวของตัวก็มีอยู่เพราะที่จะขี่คายดูให้เห็นให้เป็นภายในใจได้เพราะธรรมะเป็นของการ เรามีหน้าที่มีสิทธิ์ที่จะทําได้พริกทางในออกมาทางนอกตับไส่ใส่พุงมันเป็นอย่างไรเลือดหน้ามันแดงแดงวัดมันสวยมันงามเลือดนะ้แดงแดงนะั้นมาหยดใส่ผ่าจีวรสังฆาติไหมหยดไปขี่นัง่งขี่นอนของเรามันหน่าดูไหมกลิ่นของมันมันหอมหมวนชวนดมไหมเลือดนะั้น เรามาดื่มมาทานได้ไหมแต่ทําไมไปยินดีชอบใจติดข้องที่เจรินามันเรื่องเลือดเรื่องน้ามูกน้าลายที่ไหลออกจากทวารต่างๆทั้งตัวเราตัวเขาเหมือนกันมันไม่มีอะไรที่จะน่าเลื่อมใสมันมีอะไรที่จะน่ายินดีทําไมจิตจึงเป็นของจบกระปุกโซโคกอย่างนี้จึงเป็นของชอบ เน่าชอบเห็นอย่างนี้จึงไปยินดีจิตเป็นมแมลงวนันเป็นหนอนห ร, อหรือถึงคอยไปชอบไปจิตของปฏิกูลโสโครกอย่างนี้สอนตัวข้องตัวพิจารณาภายในจนจิตใจเห็นเป็นจริงเกิดอุคคาหาัติดตาหลับตาก่อเห็นลืมตาก่อเห็นเหนื่อหนังเอ็นกระดูก นำเน่านำห น, นองในเนือ้อในตัวเห็นว่าสมมุติอันนี้ความจริงมันเป็นอย่างนี้ที่ว่าคนว่าสวยว่างามพอเราไม่คลี่คลายเราไปยินดีชอบจิตจิตคล้องต่างหากถ้าเราคลี่คลายดูจริงจังแล้วก็เหมือนกันกับเขาเอาใบไม้หรือเอากระดาษหอ่อ หมูดคูดซึ่งเป็นของเน่าของเหม็นของปฏิกูลแต่ข้างนอกดูสวยงามเมื่อเราคลี่คลายออกไปเห็นภายในเป็นของปฏิกูลของเน่าของเหม็นอย่างนั้นไม่มีใครที่จะยินดีถือไปมีจะโยนทิ้งเพราะเหตุใดเพราะถือไปก็ไม่เป็นของมีคุณค่าสาระประโยชน์อะไรมีการคลี่คลาย กายของตัวก่อทำนองเดียวกันที่คายออกดูพิจารณาดูให้ทั่วให้ถึงเกิดดุขะหะในจิตในใจมองเห็นใครก็เป็นอย่างนั้นตัวของตัวเองก็เป็นอย่างนั้นเห็นแต่ของปฏิกูลโซโคหรือจะเห็นร่างกระดูกหอยเกาะกันลงไปตั้งแต่เบื้องสูงจนเบื้องต่า เมื่อมันเป็นอย่างนั้นมันเห็นอย่างนั้นมันเข้าใจอย่างนั้นมันจะไปกำหนัดยินดีเพลิดเพลินทำไมถ้ามันเห็นในใจถ้ามันไม่เห็นในใจจะพูดไปขนาดไหนมันก็ไม่ละไม่ปล่อยเยงแต่ฟังไม่ได้ฝังถึงใจเห็นอะไรก็ติดข้องไปถ้าจิตไม่มีอาจมีทำแต่พิจารณาภายในมันเป็นอย่างนั้น